หลักเดิมของศาสนาจะค่อยหมดไปหมดไปด้วยการแปลสภาพของชาวพุทธลองแปลไปแปลไปตามความชอบใจมีมากมากแล้วเวลานจนจะมองหาของจริงของแก่นของศาสนาจะไม่เจอแล้วมันจะมีแต่ของจวามปลอมเสศสัน์ขึ้นมามากที่ตกมากอยู่นะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจปฏิบัติ แต่จะเอาความเลือดเลอมาพูดอยี้เอาอะไรมาพูดนี่แต่ลมปากมาเอาเลิอดเลอมาที่ไหนลมปากไม่ปฏิบัติเพระพุทธเจ้าท่านท่าน่านปฏิบัตินี่ท่านรู้โดยการปฏิบตัติเห็นโดยการปฏิบัติอีไม่ในปฏิบตัติไม่สนใจมีแต่คอยจะไปให้คะแนนตัดคะแนนของผู้ปฏิบตัติมันอะไรกัน รดนเดาเฉยๆคิดเดาเฉยๆใครเขาออคิดได้หัวใจอย่างนั้นทําไมคิดไม่ได้ฮึมันไม่อายมังเหรอมาอวดว่าอวดความฉลาดหรืออวดความโง่ทีนี้อย่างที่ว่าสวรรค์ไม่มีเพราะอ้ย่างที่ว่าเทวดามีที่ไหนก็พวกเราเราท่านๆนี่แหละเทวดาเ น, นี่ยนี่ทีนน่ไหนมันไม่อายมันงหรือหน้าด้านขนาดนั้น มีผมได้อ่านดูนี่ออกปาดดาวเทียมหลังเขียนเอาไว้นึกอ่านแล้วมันอดสรุปสองเล็นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าต้องทําหน้าที่เป็นศาสตราสอนโลกเนื้อเทวดาท่านสอนดี่ไม่สอนดูส่ศัทธาเทียมมนุษย์ารเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดานี่เ น, นี่ย แล้วพุทธกิจหาคืออะไรล่ะอัธเตเทวันธหากังตอนเที่ยงคืนเทคนาสัสอนและแก้ปัญหาของพวกเทพทั้งหลายชั้นต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับพวกคมว่าเทพนี้รวมตั้งแต่ท่ามหาพรมลงมาจากเทพนี้ทุกขั้นทุกภู้ภูมิไหนก็เรียกเทพถ้าเป็นภูมิของเทพแล้วลูกข้าเทพก็เรียกเทพ จนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นผมท่านเดียกรวมมาเทศนทั้งนั น, น, น่ะท่านเทศนาสั่งสอนและแก้ปัญหาของเทวดาทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าถือเข้าถ้าหาว่าหลักในโปรแกรมก็คือในโปรแกรมของของพระพุทธเจ้าพุทธกิจท่าหว่าไงกับพาราของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่น มปลบล้างอะไรตาไม่มีจะจกเห็นดาวอยู่ฝากฟันเอาดาวภากฟ้ามาพูดทั้งๆั้งที่ตาบอดอื่นหน้าทุเล็กนี่นะไม่เห็นก็ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เห็นว่าไม่มีอยู่ที่จะทิ่งที่เห็นเท่านั้นนึงจะว่ามีคนตามบอดมันเห็นอะไรเห็นปฏิเสธอะไรก็มันมีความหมายอะไรกับคนตามบอดฟังสิ รูปรูปสีแสงต่างก็ความหมายออกจากคนตาดีต่างหากคนตาบอดมีความหมายถ้าอย่ประกาศความโง่โอ้โหหยของส่วนมากคนตาบอดมักคุยโม่โออวดเต็มนี่เหมือนกันคนโง่มักจะโอ้อวดมักจะคุยโม่ถ้าฉลาดอย่ามจอมป่าตอนนั้นเอาอะไรมามาอยากความอยากมันเป็นกิเลสทั้งก็รู้ทั้งหมดกไปแล้วเอาอะไรมาอยากเนี่ย รรธรรมะที่เราได้ยืนในฟังมานี้เป็นธรรมะที่ตายใจได้แล้วไม่สงสัยผเพรพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านผ่าดำเนินมาอย่างไรเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรสงสัยเลยเป็นที่ตายใจให้ดําเนินให้บำเพ็ญให้เป็นที่พอใจในเจ้าของเถิดเอาสลับเป็นสลัตายกับการปฏิบัติที่ท่านสอนไว้นี่เถอะจะไม่เป็นอย่างอืงอ่นเลย มันน่ึกนอยพรมันรับภาราเรื่อยในยวันนี้ก็มีแขกมาเรยว้แต่ค่ำๆยังมีมันก็เหนื่อ ย, น, ยนี่นอกจ ป, ปชุมงานบุกว่าประชุมมิตร น, นี่พวกพระพ่องเลนขยับขยายขยายขยาขยกันน้นี่มันพลิกคืดนั่นอนย่ามันจะล้นวัดหรอนะบอกกันแล้วนั่งหนาะ รับไม่ได้กูอบอกรับไม่ได้แล้วมันมากเกินกว่าเหตุแล้วเนี่ยรับไปก็หคนวนบ้านกวนเมืองกันนะดึงรถ ด, ดึงลายุ่งกับคนนั้นไปยุ่งกับคนนี้เนี่ยกรรมฐ า, านตัวยุง่งอันนี้อันหนึ่งนะเข้ามานี่กมายุ่งอันหนึ่งอยู่ก็ยุ่งแบบหนึ่งไปก็ยุ่งแบบหนึ่งสร้างแต่ความยุ่งยากยุ่งวายนี่ยอันหนึ่งกรรมฐ า, านไม่รู้ตัวเลยไม่รู้สึกตัวว่าได้ยุ่งนะ งานน้องๆกูกขาเนี่ยก่อนยอนนยกางผาเดินมามากอันหนึ่งที่ผู้จิตใจเป็นธรรมจริงๆ ก, ก็มีเสาะแสวงหายักจะ้ยินได้ฟังทมจากครูจากอาจารย์ก็มีส่วนประชายชนก็รู้แล้วว่าคงมาจากแถวนี้แหละคงไม่มาแต่ไกลละถ้าไม่ถึงทางวัดไม่ถึงหมาไปรบกวนเขาเ น, นี่ยอนี้มันกรรมฐ า, านเรามากักจะรบกวนน ล, ลนะ มันควรมาแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามักจะรบกวนะมันควรมาแล้วนี่พี่อาก็เขียนจดหมายไปกวนเขาไปกวนเขามีงานนั่นครูบาอาจารย์มีงานนั่ น, าานมีงานนี้นงนนองค์ท่านเองทาไมมีอะไรเนี่ยพวกตัวสําคัญนั่นแหละอยู่ในวัดนั่นมันตัวเก่งๆกันะ่ะมันถูเรื่องขึ้นมาแล้วที่นี้เ่เวลาได้รับจดหมายแล้วจะ ท, ทจจจจจําไงทํใาใจจิตใจใจเฉยเมยได้ยังไงมนุษย์เราเราต้องมานะ จะทำไงไมันเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้กรรมฐ า, านเรามีงานนั่นงานนี้ยุ่งตลอดเนี่ยมันอะไรดูคนเดียวอยู่สบายๆเนีวัดภาวนาไม่ได้ไมันต้องหา ย, ยุ่งเรื่องยุ่งเันไม่ใช่ทางทางความยึ่งใหญงบุ่นวายกังวลทางอย่างนั้นทางวิเลษนั่นเองจะเป็นไงผู้ปฏิบัติจะไม่ยุ่งดีดถึงถึงถึง ในยบุตรทั้งจีมีแต่การสังหารดุคฟาดกับกิเลสเท่านั้นนั่นละ่นนละทางเป็นอย่างนั้นนะทางพ้นทุกกรรมฐานยุ่งกับญาติกับโยงกับคนนั่นคนนี้ไม่ใช่กรรมฐ า, านเพื่อมากเพืผลเป็นกรรมฐ า, านหากินกรรฐานแบบนี้เอาจริงๆก็ทางดําเนินก็มีอยู่แล้วตําละตามตลับตำลตาเขาเห็นกันอีู่นั่น ท่านหายุ่งไข่อืทา้งจะท่านแนะวิเลย์เวลาไปหากลเที่ยวกับมาทานจะไปอยู่หาอยู่ในที่จอแจอที่จุมมุ่ชนที่ท่า น, น้ําทางคนขึ้นลงแน่แม้ที่สุดตั้งแต่ต้นไม้ที่เป็นที่เกาะที่กินเ อ, เอาดอกออกผลเป็นที่เกาะที่กินของพวกนกพวกกาก็อย่าไปอยู่นั่นฟังที่ท่านว่าว่าไหนที่มีการก่อสร้างก็อย่าไป นั่นแหลไพหาอยู่ในที่ ส, สงบสงัดท่านยุ่งกับใครนะั่นฟังนี่ี่แหละในตำลับตำรามดีอย่างนี้เราใครเอามาอุตรีปะก็เห็นแล้วจึงมาพูดแล้วอะไรมาอุทลีเรื่องของของพ้าแล้วในตำลับตำามไม่แต่เรื่องหาความสงบส ง, งัดข้ากิเลสตั้หานกิเลสพ่อเห็นว่ากิเลสเป็นไพ่จริงตามหลักของศาสตดาษท่านเห็นจริงจริงแ่มันมาจากแต่ว่าพูด เหมือนเราสั่แต่ว่าฟังนี่สั่แต่ว่าฟังมันก็ไม่ถึงใจแล้วสิผู้สอนสอนด้วยความถึงใจพราะพระุทธเจ้าทรงเห็นโทษเห็นจริงๆเห็นคุณเห็นจริงๆริงนี่นะเห็นประจักษ์พระไทยจริงๆถึงใจพูดง่ายๆนะแต่แดนนรกขึ้นมาฮะสวรรค์ชั้นพรมดูกระทั่งถึงนิพพานทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระไทยเห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นการสอนโลกยิ่งสอนด้วยความเมตตาสงสารอยากให้หลุดให้พ้น อย่างแท้จริงนี่นะเห็นเราได้ยินได้ฟังมันไม่ได้สนใจอะไรหากจเป็นผู้สนใจใครอยากใครอยากจะพ้นทุกตามทิศศาสดาสอนมันมันจะไม่มันจะไม่ผลกําลังใจอะไรจะเลอะือสู้ได้ปะในโลกนี้อะไรจะสู้กําลังใจได้ดิเลกมันมันหนายิ่งกว่าสามโลกนี่ก็เถอะพังหมด่ ถ้ากำลังใจได้พุ่งออกมากำลังใจกําลังทําผสมกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วไปไหนวะกิเลสไม่พังมีเหรือท่านานสอนโลกท่านสอนอยังงั้นท่านเห็นจริงจริงไม่ได้มานําแบบมาสอนแบบเปล่าเปล่เลนี่ยก็สอนด้วยตาลัากสณ ญ, ญาณ น, นั่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาอุตติริย์อะไรอย่างที่เขาว่าไอ้ เขียนเสือให้วัวกลัวมันบ้ามันภูมิใจได้ห น, น, น่ะแ่ในโลกนี่ไม่มีเขียนเสือให้วัวกลัวไปงั้นหรอเนี่ยประกาศความโง่ของเจ้าของยิ่งที่สุดเลยท่ืมตาบอดแล้วมันยังมาอวดคุยโม่โอ้อวดบอดก็ยอมรับว่าบอดโง่ก็ยอมรับว่าโง่แล้วก็หน้าให้อภัยหน่าสงสาร แล้วโง่แล้วอวดฉลาดนี่สี่เอาอะไรมาหน้าให้อภยัยหน้าให้สงหน้าสุนสารมันเลยหมันไสไปมันอะไรก็ไม่รู้ทุเลสคนดียังมีอยู่คนผู้ฉลาดแล้มคมยังมีอยู่ในโลกไม่ได้ขาดสูญไปจากโลกนี่นะเหตุใดจะมาอวดตลาดเพลอนท่านออกตลาดเอาความโง่มาอวดตลาดเดแล้วนี้ความโง่นน้อยเมื่อไหร่มันเต็มโลกอยู่แล้วนี่เอาออกมาอวดทําไมเอาของดีๆก่า น, นั้นทีมาอวด ตันเยันเป็นยังไงพวกที่มานอนกินอยู่ก็มีแล้วเนี่ยมันมีอยู่นะมันเคยมีนะผมเข็ดผมหลับมาแล้วนะมาเป็นเสือนอนกินเอกขเิกไม่มองดูหัวใจใครเลยเอาตามความสะดวกสบายของเจ้าของด้วยความขี้เกียจขี้คลานความไม่เอาไหนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันมีนะพระเนรประเภทนี้นะ่ะแล้วในว่าป่าบรรดาฯนี้มีอยู่ไหม ยามาอยู่ให้หนักวัดนะไม่ได้สอนไม่ได้สั่งสมเรื่องเหล่านี้ในการเกี่ยวกับหมู่กับคณะก็ดีเพราะพูดเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เรื่องเราเคยเข็ดเคยหลาบมาแล้วทํางานอะไรอะไรก็กลัวใจะจะตายนัลัว ค, ความขี้เกียจมันจะอดใจหิวน่นเป็นขอนสูงมันเยอะนะ ถ้าแบบนั้นแล้วคอนสูงขวางวัดขวางวานี่เยอะนะขอนจูงธรรมดาอยู่ในป่าไม่ขวางอะไรแต่คอนสูงของพระของเนีนตัวไม่เอาไหนตัวขี้เกียจที้คั้นนี่มันขวางจริงนะขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางมูขขวางตาขวางทุกอย่างมีนะในวันโอ้กิเลสมันอะไรใครเป็หน้าด้านจริงของกิเลสมันจะว่าหินอุกติปะนั้นคือธรรม มันลบทิ้งหมดเหรอหินที่โอตอปะไม่มีไม่อายนี่หน้าด้านของกิเลสเป็นอย่างนั้นนะอะไรจะด้านยิ่งกวกกิเลสมีเหรอไหนที่ว่าอายุใครอายุเนีนไหนที่ว่าจะพอนะเนียนไหนเราก็ยังไม่ทราบว่ายังไม่รับหรือว่าเป็นยังไงกันยังไม่ทราบแล้วเอาชื่อของเรียนเอาอายุของเรียนมาเสนอเรื่องการบวชเนียนแล้วนั่น มันควรที่จะได้รับความมีความชอบควรที่จะเป็นไปบวชเนนบวชเนินอะไรได้แล้วเหลือเนนนั้นเป็นยังไงแล้วขี่มาให้เราบวชเราไม่บวชนะเน้นไหนทําดีเน้นนครฮะเนนนครมันไปยังไงเน้นนครพระเจ้ารู้จักคระนครนครอยู่ไหน เน้นมาอยู่นี่กี่เดนผมยังไม่รู้ชื่อแม่แต่เน้นเดียวเลยนะใครจะไปรู้ชื่ออันเน้นนคร น, นักแข่งเน้นไหนมานี่มาเสนอหน้าสิเนี่ยมานี้มันเป็นเน้นไหนเน้นนคร อ, อ, ะอ่ะอ่ะละเลิกแล้วนี่